วันนี้เป็นวันเสาร์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช2567เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้มาพบกันเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษามาเรียนรู้พระธรรมคำสั่งคำสอน ของพระพุทธเจ้าการฟังธรรมนี้มีคุณมีประโยชน์อยู่5ประการด้วยกันคือหนึ่งจะได้ยินได้ฟังธรรมที่ไม่เคยที่อาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสอธรรมที่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วเมื่อได้ยินซ้ำอีก ก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับ 3. จะากำจัดความสงสัยต่างๆให้หมดไปจากใจได้ 4. ทํทำให้เกิดปัญญาคือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องและหาทำให้จิตใจสงบผ่องใสมีความสุข นี่คือประโยชน์ที่พึงจะได้รับจากการฟังเทศฟังธรรมในแต่ละครั้งแต่การฟังที่จะทำให้ได้เกิดประโยชน์นี้ก็ต้องฟังแบบกายวาจาใจที่สงบคือร่างกายก็ต้องนั่งอยู่เฉยๆไม่ควรเคลื่อนไหวไม่ควรทำอะไรต่างๆ ว่าจะคือการพูดคุยกันก็ไม่ควรที่จะมาพูดคุยกันใจที่สงบก็คือใจที่ไม่คิดปรุงแต่งถึงเรื่องราวต่างๆใจมีสติจดจอ่ออยู่กับเสียงธรรมที่มาสัมผัสทางหูและเข้ามาทางใจถ้าฟังแบบนี้ ก็จะได้ผลได้ผลได้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างแน่นอนการฟังธรรมนี้เป็นขั้นต้นขั้นต้นของการไปสู่การกระทาเพื่อบรรลุถึงผลต่างๆถ้าไม่ได้ฟังธรรมก็จะไม่รู้วิธีการ ปฏิบัติที่ถูกต้องว่าจะต้องทำอะไรบ้างอย่างไรถ้าปฏิบัติโดยที่ไม่ได้ฟังทำก็จะปฏิบัติแบบไม่ถูกเมื่อปฏิบัติแบบไม่ถูกผลที่จะเกิดจากการปฏิบัติก็จะไม่เกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงให้ความสำคัญ อย่างยิ่งทรงถือเป็นภารกิจสำคัญของพระองค์ในแต่ละวันพระพุทธเจ้านี้ทรงมีภารกิจประจำวันอยู่ห้าภารกิจด้วยกันสี่ภารกิจนี้ก็จะเกี่ยวกับการแสดงธรรมการสั่งสอนธรรมะเช่นตอนบ่ายก็จะ แสดงธรรมโปรดชัฏทาญาทโยมคาวราว่าทุกของเรือนในยามค่ำก็จะแสดงธรรมโปรดนัก บ, บวชรือภิกษุภิกษุนีสั ม, มเนริสัมมาเนรีในยามนึกก็จะแสดงธรรมโปรดพวกเทวดาและในยามเช้าก่อนที่จะเสด็จออกมินทบา ก็จะแรงยานดูว่าควรจะไปแสดงธรรมโปรดใครเป็นกรณีพิเศษในวันนั้นแล้วก็ออกบินธบัตเป็นภารกิจข้อที่ห้าภารกิจข้อที่ห้านี้ก็เป็นภารกิจที่จำเป็นต่อการเลี้ยงชีพเลี้ยงร่างกายของพระพุทธเจ้าส่วนอีกสี่ภารกิจนี้เป็นภารกิจเพื่อ สั่งสอนธรรมะให้แก่สัตว์โลกเพ<อ>ื่อสัตว์โลกจะได้รู้เรื่องราวต่างๆที่ควรจะรู้โดยเฉพาะเรื่องของความทุกข์ใจต่างๆและวิธีการที่จะกําจัดความทุกข์ให้หมดไปจากใจได้อย่างไร<อ>เรื่องของธรรมในวันนี้จึงจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของความทุกข์ ก็คือเรื่องของพระอริยสัจสี 4. เรื่องของภารกิจในอริยสัจสี 4. คือการปฏิบัติกิจในอริยสัจสี 4. ว่าต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างอริยสัจสีนี้เป็นธรรมที่สาคัญที่สุดของพระพุทธศาสนา เพราะถ้าไม่มีพระอริยสัจสีก็จะไม่มีพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์จะไม่มีพระพุทธศาสนาปรากฏอยู่ในโลกจนถึงวันนี้ได้การเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนาก็เกิดจากการตัดสร้พระอริยสัจสี่ของพระพุทธเจ้านั่นเอง ลหลังจากที่พระองค์ได้ทรงตัดสเลได้ได้ปฏิบัติกิจในพระอริยสัจสี่จนครบถ้วนสมบูรณ์แล้วจึงทําให้พระองค์ได้ทรงหลุดพ้นจากความทุกข์ที่หนีในใจให้หมดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้อย่างหมดสิ้น ไม่มีความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นในใจของพระพุทธเจ้าอีกต่อไปแล้วพระพุทธเจ้าแล้วก็จะนำเอาพระอริยสัจสีมาเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้ที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทางใจและเมื่อได้แสดงธรรมก็จะมีผู้ที่สนใจนำเอาไปปฏิบัติ ปฏิบัติจิในอริยสัจส์่เมื่อได้ปฏิบัติจิตในอริยสัจสีอย่างสมบูรณ์แล้วก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ที่มีในอยู่ในใจอย่างสมบูรณ์กลายเป็นพระอรหันตสาวกขึ้นมาและหลังจากนั้นพระอรหันตสาวกแต่ละลูกก็จะนำเอา ในพระอาริยรสัจสิ่นี้มาสั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไปทำให้มีการเผยแพร่สั่งสอนวิธีปฏิบัติกิจในอริยรสัจสิ่กันมาอย่างต่อเนื่องและมีผู้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทางใจเป็นจำนวนมาก มาจนถึงปัจจุบันนี้พระอริยสัศาสีนี้จึงเป็นธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งสาหรับผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแต่การจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้นั้นจำเป็นที่จะต้องรู้จักว่าพระอริยสัจสีนี้ มีอะไรบ้างและกิจที่จะต้องปฏิบัติต่อพระ อ, อริยสัจสีนี้ต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างถึงจะสามารถทำให้ความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจนี้หมดสิ้นไปได้ดังนั้นสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้ ก็คือกิจในพระอริยสัจสีเราก็ต้องเรียนรู้ก่อนว่าพระอริยสัจสีนี้มีอะไรบ้างเมื่อรู้ว่ามีอะไรบ้างแล้วเราก็มาเรียนรู้ว่าเราต้องปฏิบัติเกิจในพระอริยสัจสีอย่างไรบ้างถึงจะทําให้ใจของเรานี้ สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้<ม>ปาริยาศัจสี่นี้คือความจริงสี่ประการด้วยกันที่มีอยู่ภายในหัวใจของสวรโลกทั้งหมดสารโลกทุกชนิดที่เรียน่าวตายเกิดในสังสารวัฏ ในใจคบนี้จะมีอริยสัจสี่อยู่ภายในใจของตอนเองทุกคนเพียงแต่ว่าถูกโมหะอาวิชชาความหลงความไม่รู้ความมืดบอดของใจปกปิดทำให้สัตว์โลกนี้ไม่สามารถมองเห็นอริยสัจสีได้ จึงต้องตกอยู่ในกองทุกข์ไปเรื่อยๆมาเป็นเวลาอันยาวนานก็ไม่รู้ว่าความทุกข์ต่างๆนั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและไม่รู้วิธีการที่จะหยุดความทุกข์ต่างๆได้อย่างไรถึงแม้จะมีนี้อยู่ในใจของสัตว์โลกแต่สัตว์โลกก็มองไม่เห็นกันหรืนคน คนที่ตาบอดหรือคนที่ปิดตาจะไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ราบตัวของตนเองได้จะเห็นได้ก็ต้องทำตาให้หายบะให้หายมืดบอดก่อนหรือเอาสิ่งที่ปิดตานั้นเอาออกจากตาไปเมื่อไม่มีอะไรมาปิดตาแล้ว ก็จะสามารถเห็นสุ่งต่างได้อย่างชัดเจนอริยสัจสี่นี้ถูกควา ม, ยมหยงโมหะอวิชชาปกปิดเอาไว้และการที่จะเห็นอริยสัจสีได้ก็ต้องมีการเอาโมหะอวิชชา สิ่งที่ปกปิดใจไว้ไม่เห็นอริยสัจเกนให้ออกไปจากใจให้ได้นั่นเองแล้วก็นานๆจะมีคนที่ฉลาดคนที่เก่งอย่า ง, งพระพุทธเจ้าที่สามารถที่จะเอาสิ่งที่ปกปิดใจคือโมหะอาวิชชาความหลงความมืดบอดต่างๆให้ออกไปจากใจ ทำให้ใจสว่างขึ้นมาทําให้ใจเห็นอริยสัจสี่ได้อย่างชัดเจนแ้าหลังจากที่ได้เห็นอริยสัจสี่ได้อย่างชัดเจนแล้วก็จะรู้วิธีการปฏิบัติกับอริยสัจสี่ทั้งสี่ข้อนี้ได้อย่างไรเพื่อที่จะทาให้ความทุกข์ต่างๆ ที่มีอยู่ภายในใจนี้หมดสิ้นไปได้พระพุทธเจ้าเป็นคนเดียวเท่านั้นในโลกนี้ที่สามารถเข้าถึงพระอริยสัจสีได้ด้วยตัวเองคำที่เราว่าสัดจะ ร, รู้นี่ก็หมายถึงรู้พระอริยสัจสี่นี่เป็นสิ่งที่ไม่มีใครรู้มาก่อน ไม่มีใครอามาสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพยายามศึกษากับครูบาอาจารย์ต่างๆเพราะอยากจะรู้วิธีของการหลุดพ้นจากความทุกข์ว่าต้องทำอย่างไรบ้างแต่ก็ไม่มีใครรู้วิธีที่จะทำให้จิตหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างถาวรรู แต่วิธีที่จะทำให้ความทุกข์นั้นหยุดหยุดทงานชั่วคราวด้วยการเจริญสตินั่งสมาธิเข้าฌานในระดับต่างๆเวลาจิตสงบอยู่ในฌานระดับต่างๆความทุกข์ที่มีอยู่ในใจก็จะสบงบระงับลงชั่วคราวแต่ไม่ได้ ถูกทำลายไปแต่อย่างใดจากอำนาจของสมาธิของฌานพอออกจากสมาธิมาออกจากฌานมาความทุกข์ที่ถูกกำลังของสมาธิกำลังของฌานกดเอาไว้ก็จะแสดงแสดงตัวขึ้นมาใหม่ไม่มีใครรู้ว่าจะทำอย่างไร ให้ความทุกข์นี้หายไปได้เหมือนตอนที่เข้าไปในสมาธิถ้าอยากจะให้ความทุกข์หายไปก็ต้องเข้าไปในสมาธิแต่สมาธิก็เป็นของชั่วคราวอยู่ได้ชั่วคราวสงบได้ชั่วคราวความทุกข์ก็ดับไปชั่วคราวแต่พอออกจากสมาธิมาความทุกข์ก็จะกลับคืนขึ้นมาใหม่ พระพุทธเจ้าพยายามไปศึกษากับครูบาอาจารย์ต่างๆเพื่อเพื่อเรียนรู้วิธีที่จะทําทให้ความทุกข์นี้หายไปอย่างถาวรในทั้งในขณะที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิแต่ก็ไม่มีใครรู้วิธีที่จะทําทให้ความทุกข์หายไปได้อย่างถาวรพระองค์ก็เลยต้องเป็นผู้ ขวนขวายศึกษาค้นหาว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นจากอะไรและการที่จะทำให้ความทุกข์นั้นหายไปหมดไปนั้นจะต้องทำอย่างไรบ้างหลังจากที่ได้พยายามศึกษาคนา้นคว้าด้วยพระ อ, องค์เองในที่สุดก็ได้มาพบกับพระ อ, อริยสัจจิน ความจริยธรรด้วยกันคือทุกข้อที่มีก็คือส่งคนพบความทุกข์ว่าคืออะไรแล้วก็ส่งคนพบว่าความทุกข์ของใจนี้เกิดจากอะไรแล้วก็ส่งคนพบการทำให้ความทุกข์นี้หมดไปจากใจนี้ ทำให้มันดับได้อย่างไรต้องใช้การกระทําอย่างไรถงจะทําให้ความทุกข์ที่มีในใจนี้ดับไปได้อย่างสิ้นเชิงนี่คืออริยสัจสี่ข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งคือความทุกข์ใจอริยสัจข้อที่หนึ่งเรียกว่าทุกข์ใจอริยสัจข้อที่สองเรียกว่าสมุ ท, ทยัย คือเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจได้แก่ตัญหาความอยาก3ประการด้วยกันคือการมาสรรหาภาวะสัรหาวิภาวะสรรหาอริยสัจข้อที่สาคือทุกการดับของความทุกข์ทุกที่เกิดขึ้นในใจทำให้มันดับได้ทำให้ปรากฏขึ้นมาทำให้ความทุกข์นี้หายไปได้ การหายไปของความทุกข์นี้เรียกว่านิโรธเป็นอริยศาสตร์ข้อที่สามและการที่จะทําทให้นิโรธคือความทุกข์นี้หายไปได้นั้นต้องทําอย่างไรก็คืออริยศาสตร์สี่ข้อที่สี่ที่เรียกว่ามัดคือเครื่องมือที่จะมาทําให้ความทุกข์ที่มีในใจนีน้ ดับได้หายไปไดอ้อย่างสิ้นเชิงอย่างถาวรอันนี้คืออริยสัจจ์ความจริงสี่ข้อด้วยกันที่มีอยู่ในใจของสัตว์โลกด้วยกันแต่สัตว์โลกมองไม่เห็นกันจึงไม่รู้จักวิธีที่จะทำให้ความทุกข์ของใจของตอนนั้นหมดสิ้นไปได้อย่างไร ต้องมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ามาค้นพบมามองเห็นอริยสัจสีนี้ด้วยตนเองแล้วก็มารู้วิธีรู้วิธีที่จะปฏิบัติกับกิจในอริยสัจสีว่าจะต้องปฏิบัติแต่ละกับแต่ละข้ออย่างไรบ้างเช่นกิจในอริยสัจข้อที่หนึ่งคือทุกข์คือเบื้องต้น ต้องรู้จักทุกก่อนว่าอะไรเป็นทุกข์ก็ทรงรู้ว่าความทุกข์ก็คือการเกิดนี่เองไม่มีใครปฏิเสธว่าเมื่อมาเกิดแล้วจะไม่มีใครเจอความทุกข์กันเมื่อมาเกิดแล้วก็ต้องทุกข์กับการอยู่ดำรงชีวิตอยู่ต้องดิ้นรนต่อสู้พันป่าอุปสรรค ในการที่จะเลี้ยงดูชีวิตให้อยู่ไปได้ในแต่ละวันไม่แท่ว่าจะสวิดมาแล้วจะมีความสุขต้องคอยบำบัดความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากของร่างกายที่จาเป็นที่จะต้องมีปัจจัยสี่มาคอยเลี้ยงดูอยู่ตลอดเวลาต้องทุกขกับการไปหาอาหาร ต้องทุกกับการไปหาเสื้อผ้ามาสวมใส่ต้องทุกกับการไปหาที่อยู่อาศัยต้องทุกกับการรักษาพยาบาลร่างกายเวลาเกิดการเจ็บไข้ได้ปวดขึ้นมนี่คืออริยสัจข้อที่หนึ่งคือความทุกข์ถ้าไม่เกิดก็จะไม่มีทุกข์ตามมา แต่เมื่อเกิดแล้วก็จะมีความทุกข์ต่างๆตามมานอกจากทุกข์ในการเลี้ยงดูร่างกายแล้วก็ยังต้องมาเจอทุกข์กับความแก่ของร่างกายร่างกายที่เกิดมานี้มันจะเจริญเติบโตไปเรื่อยๆน้วในวันหนึ่งมันก็จะเข้าสู่ความแก่ความชราเมื่อมันเจแก่มันชรามันก็จะไม่มีเรื่องมีแรง ไม่สามารถที่จะทำอะไรเหมือนตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวได้ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาก็ไม่สามารถทำอะไรตามใจอยากได้แล้วก็ต้องมาเจอความทุกข์ที่เกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ต้องมาเจอความความตายความทุกข์ที่จะเกิดจากความตาย แล้วก็จะเจอกับความทุกข์ที่เกิดจากการพัดพรากจากกันทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องมีคนที่รู้จักคนที่รักที่ชอบเช่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติสนิวิสยัยพี่น้องต่างๆซึ่งวันใดวันหนึ่งก็อาจจะมีการล้มตายจากกันไปเมื่อเวลาเกิดการล้มตายจากกันไป ก็จะทำให้เกิดความทุกขใจขึ้นม า, านี่คืออริยศัสตร์ข้อที่หนึ่งว่าความทุกข์นี้ได้แก่อะไร mm. พระเจ้าก็ทรงเห็นแล้วว่าความทุกข์นี้เกิดตอนที่ได้ไ ด, ได้จากการเกิดถ้าไม่เกิดก็จะไม่มีความทุกข์ แต่พอเกิดแล้วก็ต้องมีความทุกข์กับร่างกาย ท, าทันทีต้องมีการรับผิดชอบเลี้ยงดูร่างกายแล้วก็มาทุกข์กับความแก่ของร่างกายทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายทุกข์กับความตายของร่างกายและทุกข์จากการต้องพัดทาจากคนที่เราลักเราชอบหรือสิ่งที่เราลักเราชอบไป เพราะสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นของชั่วเกาว่าเป็นอยู่ภายใต้กฎของใจรักอ น, นิจจงทุกขังอนัตตาเพราะมันไม่เที่ยงอ น, นิจจงมันเลยทำให้ใจทุกเวลาที่ต้องสูญเสียสิ่งที่รักที่ชอบไปนั่นงแล้วก็ไม่สามารถไปยับยัง้งไปสั่งมันไม่ให้เกิดการพัาดพาดจากกันได้ เพราะว่ามันเป็นอนัตตามันไม่ได้เป็นตัวเป็นตนมันไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของใครมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้มันเกิดแล้วแล้วที่ทำให้มันดับไปมีเหตุที่ทำให้เกิดมันก็จะมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมาพอเหตุที่ทำให้มันเกิดมันหมดไปสิ่งต่างๆที่เกิดมามันก็จะหมดตามไป เหตปัจจัยเหล่านี้ไม่อยู่ภายใต้อำนาจของใครไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของใครถ้ามาเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆที่ไม่เที่ยงแล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องทุกกับมันเวลาที่มันเปลี่ยนไปหรือเวลาที่มันหมดไปนี่คือความทุกข์เรียกว่าอาริยสัจข้อที่หนึ่ง ทุกข์กษัตริย์และภารกิจในอริยาศาสตร์ข้อที่หนึ่งนี้ต้องทำอย่างไรบ้างพรเจ้าบอกทุกนี้จําเป็นที่จะต้องกําหนดรู้ต้องเรียนรู้เรียนรู้เพื่อให้เข้าใจและไม่ให้หลงไม่ให้ลืมให้รู้ว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรไม่เป็นทุกข์แต่ตอนนี้ให้รู้เพียงอย่างเดียวก่อนว่าอะไรเป็นทุกข์ให้รู้ว่าการเกิดเป็นทุกข์ การแก่เป็นทุกข์การเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทุกข์การตายเป็นทุกข์การพัดท่าแข่งา ก, การเป็นทุกข์รู้ไว้เพื่อทำไมรู้ไว้เพื่อที่เราจะได้หลีกเลี่ยงมันไม่ไปหามันนั่นเองเราเหตุที่ทำให้เรามาเจอกับความทุกข์เพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์กันเราไม่รู้ว่าการมาเกิดนี้มันเป็นทุกข์เราก็เลยมาเกิดกันอยู่เรื่อย แต่ถ้าเรารู้ว่าการมาเกิดนี้มันเป็นทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อย่ามาเกิดท่านั้นเองนี่คือจิตข้อที่หนึ่งในอริยสัจก็คือให้เรารู้จากว่าการเกิดนี้เป็นทุกข์เพราะเมื่อเกิดแล้วก็จะต้องแก่แก่ก็เป็นทุกข์เจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นทุกข์เวลาตายก็เป็นทุกข์ เวลาสูญเสียเวลาพลดท่าจากสิ่ ง, งต่างๆหรือบุคคลต่างๆที่เรารักเราชอบก็เป็นทุกข์สรุปก็คือความทุกข์นี้มาจากการมาเกิดนีเ่เราต้องเรียนรู้เรียนรู้อย่างไรถึงเรียกว่าเรียนรู้ติดข้อที่หนึ่งนี้ให้รู้นี่หมายความว่าให้รู้แบบไม่ลืมให้รู้ตลอดเวลาให้รู้ว่านี่ย การมีร่างกายนี้การมาเกิดมีร่างกายนี้เป็นการมาหาพังทุกข์ไม่ใช่เป็นการมาหาพังสุขแต่ถ้าไม่ได้เรียนรู้ไม่คอยเตือนใจสอนใจว่าการมีร่างกายนี้เป็นทุกข์ใจที่มีกิเลสโมหะอวิชชานี้มันจะมองกลับตาลปัดไปมันจะกลับมองไปเห็นว่าการมีร่างกายนี้เป็นสุข พราะเมื่อมีร่างกายแล้วก็จะได้ใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือไปหาความสุขต่างๆนั่นเองเพราะใจมีความอยากหาความสุขผ่านทางร่างกายอยากหาความสุข จ, จากลาบยศกระเถิร์นจากรูคเสียงจิ่นลดโผชพาชนิดต่างๆก็เลยจําเป็นที่จะต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือถ้าไม่มี พระพุทธเจ้ามีคนฉลาดมาสอนแทนที่เราจะเห็นว่าการเกิดนี้เป็นทุกข์เรากลับไปเห็นว่าการเกิดเป็นสุขกันสังเกตดูเวลา ค, คนที่ได้ลูกกันนี่เขาต้องจะฉลองกันแสดงความยินดีต่อกันแสดงความยินดีกับการมีลูกพอลูกจะได้มีร่างกายเมื่อลูกโตลูกจะได้มีความสุขจากการมีร่างกาย อันนี้เป็นโมหะอวิชชาความหลงหอกให้มองตรงกันข้ามกับความจริงจรงแทนที่จะเห็นว่าการเกิดเป็นทุกจะไปเห็นว่าการเกิดเป็นสุขเราต้องวิธีแก้ความเห็นที่ไม่ถูกนี้คือโมหะอวิชชาที่ไปเกณฑที่ไปเห็นว่าการเกิดเป็นสุขนี้เราก็ต้องพยายามพลิกมันกลับมาให้มองให้เห็นว่า การเกิดนี้เป็นทุกข์ทุกข์เนี่ยทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะเราน่างกายต้องดิ้นรนต่อสู้เราต้องดิ้นรนต่อสู้ให้กับร่างกายทุกกับการเลี้ยงดูร่างกายแล้วก็ต้องมาทุกกับความแก่ของร่างกายทุกกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายทุกกับความตายของร่างกายทุกกับการ พัดทางจากคนที่เรารักที่เราชอบจากสิ่งที่เรารักเราชอบกันไปนี่คือภารกิจในระยะสัตวสข้อที่หนึ่งคือความทุกข์เราต้องเรียนรู้ทุกข์ให้เห็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์อย่าไปเห็นทุกข์ว่าเป็นสุขถ้าถ้าเราเห็นว่าทุกข์เป็นสุขแล้วเราจะเข้าหาความทุกข์โดยไม่รู้สึกตัวแต่ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์ เราจะไม่เข้าหาเหมันเราจะถอยหมื <S 2> <S 2> อนเช่นเวลาที่เราเห็นงูพิษนี่เราต้องเห็นว่ามันเป็นงูพิษถ้าเข้าใกล้มันแล้วมันจะกัดเราตายถ้าเรารู้ว่ามันเป็นงูพิษที่จะทำร้ายชีวิตเรา <S <S เราจะไม่เข้า <S 2> <S 2> เราจะไม่กล้าเข้าหาหมันแต่ถ้าเราไปคิดว่ามันเป็นปลาไหลหปลาไหลนี่ร่างมันก็เป็นร่างกายร่างขนาดของมันก็ดูเป็นเหมือนเป็นงูถ้าไปเห็นว่า งูพิษงูษเป็นปาลาไหลขึ้นมาก็จะไม่กลัวงูพิษก็คิดว่าปาลาไหลนี่จะามาทำเป็นอาหารได้แทนที่จะหนีงูพิษก็กลับวิ่งเข้าหางูพิษโดยที่ว่างูพิษเป็นปาลาไหลเป็นอาหารอัโอชะพอไปเข้าใกล้งูพิษก็จะถูกงูพิษสัดตายได้การไม่รู้อริยสั์ข้อที่หนึ่งไม่รู้ทุกข์ว่าเป็นอะไรนี่หละ ที่ทำให้พวกเราทุกคนต้องมาทุกขกับร่างกายไปเพราะเราไม่เห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์กันเราไม่เห็นว่าการเกิดเป็นทุกข์กันเรากลับเกับเห็นว่าการถูบ ก, การเกิดนี้เป็นสุขกันแต่ันมีฉลองเรี้ยงวันเกิดกันทุกปีทุกปีพอ ร, ร, รอบวันเกิดก็เรี้ยงฉลองวันเกิดขอให้สุขให้จเจริญมากมา ก, มากขึ้นไปขออายุยืนยาวนาน ถ้ามีร่างกายอยู่ไปนานๆจะได้ใช้ร่างกายหาความสุขต่างๆแต่ร่างกายมันไม่ได้เป็นของที่จ ะ, จะเจริญไปเรื่อยๆจะเป็นหนุ่มเป็นสาวไปเรื่อยๆจะแข็งแรงไปเรื่อยๆจะสามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆไปได้เรื่อยๆมันไม่เป็นอย่างนั้น ร่างกายมันไม่เที่ยงมันเป็นอนนี้จังเมื่อมันเป็นอนนี้จังมันก็จะร่องเสื่อมเวลามันเสื่อมมันก็ไม่สามารถทำอะไรตามความอยากของใจได้พอไม่สามารถทำตามความอยากของใจได้ความทุกข์ใจก็จะเกิดขึ้นอยากจะไปเที่ยวก็ไปไม่ได้คนแก่ต้องอยู่กับบ้านอยากจะไปวิ่งออกกำลังกายก็วิ่งไม่ได้ อยากไปทำอะไรเหมือนกับตารที่เป็นหนุ่มเป็นสาวก็ทำไม่ได้ของแก่แก็เลยเกิดความทุกข์ใจเกิดความเศร้าใจกันแต่ถ้าไม่ระมัดระวังก็อาจจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าขึ้นมาได้นี่คือปิดในอริยสัจข้อที่หนึ่งคือทุกข์ทุกข์ต้องกำหนดรู้ต้องเรียนรู้ว่าเป็นทุกข์ว่าอะไรเป็นทุกข์ ให้รู้ว่าการเกิดนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเพื่อที่เราจะได้หลีกเลี่ยงเท้าต่อไปจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกนั่นเถ้าเรายังคิดว่ามันเป็นสุขอยู่เดี๋ยวพอร่างกายอันนี้ตายไปชาติหน้าเราก็จะกลับมาเกิดใหม่อีกเพราะเรายังจะคิดว่าการเกิดนี้เป็นสุขนั่นเองพอเกิดแล้วเราก็จะได้ทําอะไรต่างๆ ต, ตามที่เราต้องการที่ทจะกระทําได้ อยากหาราบยศสาะระเสรินอยากหาความสุขจากรูกเสียงกลิ่นรสสบประพาชนิดต่างๆเราก็สามารถทำได้ถ้าเรามีร่างกายแต่ถ้าเราไม่มีร่างกายเราก็จะไม่สามารถทำได้หรือถ้ามีร่างกายที่ไม่สมประกอบร่างกายของคนแก่ร่างกายของคนพิการคนเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายของคนที่จะตาย ร่างกายเหล่านี้ก็จะไม่สามารถตอบสนองตันหาความอยากของใจได้เมื่อมันไม่สามารถตอบสนองความอยากของใจได้ใจก็จะทุกข์นี่คือจิอข้อที่หนึ่งะระยะสั้นคือทุกข์ความทุกข์นี้ต้องกำหนดรู้ต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องสอนใจให้รู้ว่าการมาเกิดนี้เป็นทุกข์ ทุกแล้วก็การเก็บความแก่ก็เป็นทุกข์กามเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นทุกข์ามตายก็เป็นทุกข์การทัดท่า ก, กันก็เป็นทุกข์วิธีพี่จะทใจให้รู้ความจริงอันนี้ได้อย่างต่อเ น, นื่องต้องทำอย่างไรพระพุทยาทรงสอนให้หมั่นพิจารณาอยู่เนืองๆให้คิดอยู่บ่อยๆทุกวันทุกคืนคิดให้มากคิดเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืม ว่าเมื่อได้เราเมื่อเราได้ร่างกายมาแล้วเราก็จะต้องเจอกับความแก่เป็นธรรมดาลวงพ้นความแก่ไปไม่ได้ต้องพบกับความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาลวงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้เราจะต้องพบกับความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เราจะต้องพัดพากจากการเป็นธรรมดา ร่วงพ้นจากการทัดท่างจากกันไปไม่ได้ต้องคิดอย่างนี้บ่อยๆถึงจะืถึงจะเรียกว่ารู้รู้ทุกข์ถ้าเราไม่คิดปั๊บเดี๋ยวเราจะลืมแล้วเราก็จะไปคิดว่าเป็นสุขการมีร่างกายเป็นสุขพอเราจะได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในหาความสุขของโลกธรรมทั้งสิหาความสุขจากลาบยศสลอญ หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสสดสะพานชนิดต่างๆแต่เราก็มองไม่เห็นว่าราบยศสารเสิร์สสุขมันก็เป็นของชั่วคราวมันก็อยู่ภายใต้กฎอันนี้จังไม่ใช่ว่าเราจะสามารถหาความสุขจากราบยศสารเสิร์สจากรูปเสียงกลิ่นรสได้ตลอดเวลาเอาเวลาแทนที่จะได้ราบก็อาจจะเสื่อมราบก็ได้แทนที่จะได้เงินเพิ่มเงินจับผลลงไวก็ได้หายไปก็ได้ ตำแหน่งยศต่างๆแทนที่จะได้เจริญขึ้นไปก็อาจจะเสื่อมลงมาก็ได้สรรเสริญต่างๆที่เคยได้ยินได้ฟังอาจจะกลายเป็นคำคาราหานินทาขึ้นมาก็ได้ความสุขจากโูกเสียงกลิ่นรสต่างๆก็อาจจะพลิกกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาก็ได้เมื่อโูกเสียงกลิ่นรสโดสัพหะที่เราได้สึกได้สัมผัสให้ความสุขกับเรามันเปลี่ยนไปมันเสื่อมไปมันโหกไป อันนี้หละคือความทุกข์ของการที่มาเกิดในอริยาศาสตร์ข้อที่หนึ่งและกิจในอริยาศาัตร์ข้อที่หนึ่งก็คือเราต้องกำหนดรู้ทุกข์รู้ว่าการมาเกิดนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเราจะได้กลัวการเกิดกันเหมือนกับเรารู้ว่างูพิษนี่รู้งูเห่านี่เป็นพิษงูจงอางนี่เป็นพิษเป็นอันตรายต่อชีวิตของเรา พอเห็นงูหา่าเห็นงูจงอางนี่เราจะถอยทันทีเราจะไม่เข้าใกล้เลยหรือถ้าเราเห็นยาพิษนี่เราก็จะไม่กล้าเข้าไปแตะไปกินมันไปดื่มมันต้องของต้องมองให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์อย่าไปมองกับตาลปัดอย่าไปมองเปกมองตรงกันข้ามกับความเป็นจริงความเกิดนี้เป็นทุกข์ แต่ถ้าเราไม่มีปัญญาไม่มีคนสอนเราเรากลับจะไปมองเห็นว่าการเกิดนี้เป็นสุขอันนี้เราต้องมาแก้ด้วยการทำกิจข้อที่หนึ่งคือกิจแนะในในอริยสัจข้อที่หนึ่งคือทุกข์กิจในกิในในในทุกข์นี้ต้องทำอย่างไรทุกข์ก็ต้องกำหนดรู้ต้องรู้ว่าอะไรเป็นทุกข์ต้องรู้ว่าอะไรไม่เป็นทุกข์ การเกิดนี้เป็นทุกข์แต่การไม่เกิดนี้เป็นไม่ทุกข์ใช่เมื่ออยากจะมีความทุกข์ก็อย่ามาเกิดอันนี้แหละคือความจริงของอริยศสัร์ข้อที่หนึ่งการเกิดเป็นทุกข์การแก่การเจ็บการตายเป็นทุกข์การพลาดพลาดจากการเป็นทุกข์การไม่ทุกข์การไม่เป็นทุกข์ก็คือการไม่เกิดเมื่อไม่มีการเกิดก็จะไม่มีการแก่ ไม่มีการเจิบไม่มีการตายไม่มีการพัดพาคจากกันนี่คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้สอนใจเราอยู่ตลอดเวลาให้รู้ว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรไม่เป็นทุกข์สรุปง่ายๆก็คือการเกิดเป็นทุกข์แล้วก็การไม่เกิดนี้คือการไม่มีทุกข์ถ้าไม่อยากมีทุกข์ก็อย่ามาเกิดเท่นั้นเองอ อันนี้เราต้องจดจําให้ได้เรียนรู้อยู่เรื่อยๆสอนใจอยู่เรื่อยๆเวลาใดถ้าเราคิดว่าการมาเกิดนี้เป็นสุขเวลานั้นเราหลงทางนะเรากําลังพาเราไปสู่ความทุกข์กันถ้าหลงว่าการมาเกิดนี้ดีอยากจะอยู่ไปนานๆ น, นี้ดีอันนี้แหละมันจะทําให้เราต้องมาเจอกับความทุกข์อยู่ไปเรื่อยๆเราต้องมองให้เห็นว่ามันการเกิดไม่ดี การอยู่ไปนานๆก็ไม่ดีเวลาแก่ก็ไม่ดีเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ดีเวลาตายก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นนะเราอย่าไปยึดไปติดกับร่างกายเราต้องยอมรับความจริงของร่างกายว่ามันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเมื่อมันเกิดแล้วมันก็ต้องไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายในที่สุด<ม>ถ้าเราอยาอมรับความจริงได้ ใจเราก็จะไม่ทุกกับความแก่ความเจ็บความตายได้ถึงแม้ว่ายังจะต้องทุกกับการเลี้ยงดูร่างกายก็ตามแต่เราก็เลี้ยงดูแบบตามมีตามเกิดอยู่ได้ก็อยู่ไปอยู่ไม่ได้จะตายก็ปล่อยมันตายไปอันนี้คือกิจในอริยสัจข้อที่หนึ่งคือเราต้องเรียนรู้ทุกว่าทุกอะไรเป็นทุกอะไรไม่เป็นทุก เมื่อเรารู้แล้วเราก็ต้องมาทำํำกิจข้อที่สองในอริยสัจสีในอริยสัจสี่มีความจริงอยู่สี่ข้อด้ยวยกันข้อที่หนึ่งก็คือความทุกข์ใจที่เกิดจากการมาเกิดข้อที่สองก็คือเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์ใจเหตุที่ทําให้พามาเกิดคืออะไรอันนี้เป็นอริยสัจข้อที่สองเหตุที่ทําให้เรามาเกิดกัน เหตุที่ทําให้เรามาเกิดมามีร่างกายกันก็คือตัณหาความอยากสามอยาม่างในตั้งสามข้อตัณหาความอยากข้อที่หนึ่งก็คือความอยากหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นลดผลถภาหนึง่งการที่เราจะเสบรูปเสียงกลิ่นลดผลถภาได้เราจําเป็นจะต้องมีเครื่องมือเพราะเราคือใจนี้ที่อยากเสดนี้ไม่มีร่างกายไม่มีเครื่องมือมีแต่ความอยาก แลวการที่เราจะเสพรูปเสียงกลิ่นลดได้เสพราบยศรลเริญสุขได้เราต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือความอยากอันนี้ที่เป็นตัวที่พาให้เรามาเกิดกันแล้วก็ความอยากอีกสองข้อก็คือความอยากมีอยากเป็นพอเกิดแล้วก็อยากได้นู่นอยากได้นี่อยากร่ำอยากรวยอยากได้ราบยศรลเสริญสุขอันนี้ก็เป็นความอยากที่ตามมาหลังจากที่ได้เราเกิดแล้ว แล้ว้วเมื่อเราได้ราบยศเสริเสริญสุขแล้วเราก็เกิดความอยากข้อที่สามคืออยากไม่ให้ราบยศเสริเสริญสุขมันเสื่อมไปหมดไปนั่นเองความอยากทั้งสามข้อนี้มันเป็นไปไม่ได้คือมันอยากจะได้ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสตลอดเวลานี้เป็นไปไม่ได้เพราะรูปเสียงกลิ่นรสลาบยศเสริเสริญนี้มันเป็นของชั่วคราว เวลามันเปลี่ยนไปเวลามันเสื่อมไปมันก็จะทําทให้เราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมามันวิธีที่เราจะไม่ต้องมาเจอกับความทุกข์เราก็ต้องตัดความอยากเหล่านี้ให้หมดไปจากใจให้ได้นี่คือที่มาของจิตของข้อที่สองจิตในอริยสัจข้อที่สองคือจิตในสมู ท, ทยัยสมูทัยนี้คือต้อนเหตุของความทุกข์ได้แก่ปัญหา การมาตัณหาความอยากเสิมลูกเสียงกลิ่นลดโขดสะพะภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเราต้องละความอยากทั้งสามนี้นี่คือภารกิจในอริยสัจข้อที่สองคือเวลาเกิดความอยากต้องฝืนมันอย่าไปทําตามมัน อยากไปเที่ยวก็อยากไปอยากจะไปน้องราทําเพลงไปหาความสุขจากโลูกเสียงกิริย์ลดต่างๆก็อยากไปทำํำเลนต้องหยุดมันต้องห้ามใจให้ได้วิธีห้ามใจก็มีหลายวิธีด้วยกันซึ่งจะต้องอยู่ในอริยสัจข้อที่สที่จะตามมาต่อไปแต่ในจิจข้อที่สองนี้คือตัณหาความอยากต่าง ๆ, ๆที่มีอยู่ในใจนี้เราต้องละให้ได้เราต้องหยุดมันให้ได้ เราต้องฝืนมันเราต้องอยากทำมันถ้าเราสามารถฝืนได้ไม่ทำตามมันได้เราก็จะได้ไม่ต้องมาเกิดกันนั่นเองเพราะตัวที่พาให้เรามาเกิดก็คือตัณหาความอยากทั้งสามข้อนี้พอเราฝืนมันได้หยุดมันได้ความความทุกข์ที่จะเกิดจากการมาเกิดมันก็จะไม่มีอันนี้ก็จะนาพาเราไปสู่ อริยสัจข้อที่สามก็คือการดับทุกข์<ม>การการหายไปของความทุกข์<ม>ความทุกข์หายไปได้อย่างไรก็หายไปจากการที่เราไม่มาเกิดนั่นเอง<ม>และการที่เราไม่มาเกิดก็เพราะว่าเราหยุดความอยากที่พาให้เรามาเกิดได้หยุดความอยากในการเสษลูกเสียงกลิ่นลดหยุดในความอยากมีอยากเป็นหยุดในความอยากไม่มีอยากไม่เป็นได้ มันก็จะพาให้เรามาได้พบกับอริยสัจข้อที่สก็คือการดับทุกข์นั่นเองทุกข์หายไปหมดไปจากใจหายไปเพราะเราละความอยากได้ละ ก, กา ม, มาตัญหาละวิภาวะตัญหาละภาวะตัญหาได้อันนี้ก็เป็นอริยสัจข้อที่สามคือนิโรดนิโรแตแปลว่าการดับทุกข์ด้วยการพ้นทุกข์ด้วยการ หรือการหายไปของทุกข์นี่เรียกว่านิโรธกิจข้อที่สามนี้ท่านบอกว่านิโรธต้องทําให้แจ้งก็คือต้องทําให้มันปรากฏขึ้นมาทําให้ทุกข์ที่มัมีอยู่ในใจหายไปให้ได้ถ้าเราทําให้ทุกข์ที่มีอยู่ในใจหายไปได้เราก็จะได้นิโรธเราก็จะได้ทํากิจข้อที่สามได้การที่จะได้นิโรธนี้เราต้องทำอย่างไรเราก็ต้องละตันหาและละ สาเหตุของความทุกข์ซึ่งเป็นอริยาศาสตร์ข้อที่สองเรามาล่าตัณหากันหยุดตัณหาหยุดความอยากกันพอหยุดความอยากได้นิโรธก็จะปรากฏขึ้นมาความทุกข์ที่เกิดจากตัณหาความอยากก็จะหายไปใจก็จะเป็นนิโรธขึ้นมาคือความทุกข์ที่มีในใจก็จะหายไปเราก็จะทำให้นิโรธปรากฏแจ้งขึ้นมาในใจ อันนี้เป็นกิจข้อที่สนิโรธต้องทําให้ปรากฏต้องทําให้แจ้งต้องทําให้ความทุกข์ที่มีอยู่ในใจมันหายไปเรียกว่านิโรธอาลัยสัตว์ข้อที่สคือเป้าหมายของการปฏิบัติที่แท้จริงก็คือกําจัดความทุกข์ต่างๆให้มหมดไปจากใจเวลาความทุกข์หมดไปเราก็เรียกว่านิโรธความทุกข์หายไปหมดไปอันนี้เราต้องทําให้แจ้งการจะทําทให้แจ้งก็คือต้องละ ตันหาความอยากที่เป็นอริยสัจข้อที่สองหยุดความอยากต่างๆหยุดกินหยุดหยุดเที่ยวหยุดหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นุดหยุดหาความสุขจากลาบยศสารเสริญให้มาฝึกสตินั่งสมาธิทำใจให้สงบอันนี้ก็จะนํามาสู่อริยสัจข้อที่ 4. คือมรคมรคืออะไรมรค ก, ก็คือเครื่องมือที่เราต้องมีในการที่เราจะมาหยุดความอยากได้ ตอนนี้เราไม่มีมัดเราหยุดความอยากไม่ได้ความอยากมันมีกำลังมากเราอยู่นีอยู่เฉ ย, ยดๆดีๆเราบอกต่อไปนี้ไม่อยากแล้วมันพูดได้แต่ทำไม่ได้พอเห็นขนมขึ้นมาก็หิวขึ้นมาอยากกินขึ้นมาพอเห็นละครดีๆก็อยากจะดูขึ้นมาพอได้ยินเสียงเพลงที่ชอบก็เกิดความอยากขึ้นมาทันทีตอนนี้เรายังหยุดความอยากไม่ได้เพราะเรายังไม่มีมัก <mates> คือเครื่องมือที่จะมาหยุดความอยาก มรคนี้ก็คืออริยสัจข้อที่สี่มรคก็คือเครื่องมือที่เราต้องต้องสร้างขึ้นมาเพื่อมาใช้ในการดับทุกข์ดังนั้นติดในอริยสัจข้อที่สี่คือมรค ก, ก็คือการทำการเจริญให้การเจริญมรคให้มมากเจริญให้สมบูรณ์คือสร้างมรค ก, ก็คือการปฏิบัติที่จะเป็นเครื่องมือในการมาหยุดความอยากต่างๆได้ เครื่องมือที่เยี่ยมมาหยู่ความอยากต่างๆได้นี้ผู้เจ้าเรียกว่ามรต์ส่งแสดงไว้เป็นหลายรูปแบบด้วยกันบางครั้งท่านก็ส่งแสดงว่าเป็นมรต์แปดมีแปดมีแปดองค์ประกอบด้วยกันเช่นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกรปรซึ่งความจริงสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกรปรก็คือองค์ประกอบของปัญญาส่วน สัมมาคัมมันโตสัมมาวาจาสัมมาอาชีวนี้ก็เป็นองค์ประกอบของสีนสัง ม, มาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบของสมาธิเมื่อสรุปลงมาสั้นๆก็เหลือสามข้อก็คือสีนสมาธิปัญญา<ม>ถ้าเราอยากจะหยุดความอยากเพื่อทำให้นิโรธแจ้งขึ้นมาเพื่อให้ความทุกข์ที่มีอยู่ในใจหายไปหมด เราต้องเจริญมรรคกันเราต้องเจริญศีลสมาธิปัญญาถ้าเรายังไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาใจเราจะไม่มีกำลังที่จะสู้กับความอยากต่างๆได้ดฉงนั้นสิ่งที่เราต้องทาให้มากเจริญให้มากท่าเจ้าบอกก็คือมรรคอันนี้เป็นกิจข้อที่สี่ในอริยสัจสีเป็นกิจของมรรคมรรคต้องเจริญให้มาก ข้อที่1ทุกต้องต้องเรียนรู้ให้รู้ว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรไม่เป็นทุกข์สให้รู้ข้อที่2ว่าปัญหาความอยากเป็นเหตุที่พาให้เรามาเกิดเป็นเหตุที่ทํามาให้เราทุกข์เราต้องละมันให้ได้ต้องหยุดมันให้ได้เป้าหมายของข้อที่2ก็คือละละละปัญหาความอยากต่างๆและการที่จะทําให้ถ้าละปัญหาความอยากต่างๆได้เราก็จะได้อริยสัจข้อที่3ก็คือนิโรธ การหายไปของความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของเราและการที่จะทําให้นิโรธปรากฏขึ้นมาได้เราจําเป็นที่จะต้องมีมรรคเป็นเครื่องมือเพราะว่าถ้าเราไม่มีมรรคไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเราจะไม่มีกําลังที่จะไปสู้กับความอยากได้หยุดความอยากได้เราจรึงต้องมาฝึกสร้างสร้างศีลกันเช่นศีลแปดการรักษาศีลแปนี้มีไว้เพื่อสู้กับความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรส เช่นศีลข้อสามความอยากที่จะร่วมเพศร่วมหลับนอนกับแฟนเราก็จะต้องถูกตัดไปเราต้องหยุดมันถ้าเราไม่ถือศีลแปดเราก็ยังร่วมหลับนอนกับแฟนได้อยู่แต่ถ้าเราอยากจะเลิกหลับนอนไม่อยากจะร่วมหลับนอนกับแฟนก็รันมันเป็นทุกข์ถึงว่ามันเป็นสุขมันเป็นสุขแบบยาเสพติดเวลาเสพก็สุขเวลาเวลาไม่ได้เสพก็จะทุกข์ขึ้นมา เวลาที่แฟนตายจากเราไปหรือแฟนทิ้งเราไปมันก็จะทำให้เราทุกข์ขึ้นถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กเรื่องของการมีแฟนก็อย่าไปมีแฟนอย่าไปร่วมหลับนอนกับแฟนเราก็ต้องมาถือศีลแปดกันศีลแปดนี้จะช่วยให้เรามีกำลังที่จะสู้กับความอยากเสศ ร, รูปเสียงกลิ่นรสเสศกรรมได้นอกจากนั้นก็มามารักษาศีลข้อหกเพื่อ เพื่อจะได้มีกำลังสู้กับความอยากกินอยากดื่มของแบบไม่มีเวล่ำเวลาเรากินได้ดื่มได้แต่ให้มันกินตามเวลาความต้องการของร่างกายเวลาที่มันไม่ใช่เวลากินเวลาดื่มอย่าไปอย่าให้มันกินอย่าให้มันดื่มอันนี้ก็เพื่อห้ามตัดความอยากในการเสพความสุขจากการดื่มจากการรับประทานอาหารอันนี้เป็นหน้าที่ของศีลข้อหก สี่ข้อเจ็ดก็ห้าแม่เราเศษสุขจากดูมหัศลศพ บ, บันเทิ ง, งต่างๆดูหนังฟังเพลงแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวยงามถึงสวยความงามด้วยเครื่องสำอางด้วยน้ํามันน้ําหอมต่างๆแล้วก็ละเว้นจากการไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆสถานบันเทิงต่างๆอันนี้เพื่อห้ามความอยากเศษกรรมเสษในรูปเสียงกลิก่นรสถ้าเราพยายามถือศีลได้ เวลาเกิดความอยากเหล่านี้เราบอกว่าวันนี้ทำไม่ได้นะวันนี้จะนอนกับแฟนไม่ได้วันนี้จะกินข้าวเย็นไม่ได้วันนี้จะดูหนังฟังเพลงไม่ได้เราค่อยๆฝึกไปไม่เทไม่ๆแล้วอาจจะไม่ไม่สามารถทำได้ทุกวันอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็ทำสักครั้งหนึ่งก่อนเป็นจุดเริ่มต้นที่พเจ้าทรงกำหนดวันพระขึ้นมาวันธรรมสวรนระวันปฏิบัติธรรมก็ให้เรามาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญากัน มาถือศีลแปดในวันพระกันแล้วเมื่อเราถือศีลแปดได้เราก็จะมีเวลาว่างจากทาจากการที่เราจะต้องไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดเราก็จะได้เอาเวลาที่เราเคยใช้กับการเสพรูปเสียงกลิ่นลดนี้มาให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบทำใจให้นิ่งเพราะว่าถ้าเราสามารถทำใจให้สงบทาใจให้นิ่งได้ เราก็จะหยุดกับความอยากได้ชั่วคาแต่ถ้าเรายังทำใจให้สงบทำเป็นใจให้นิ่งไม่ได้ถึงแม้เราจะรักษาศีลได้แต่ในใจมันยังไม่ยอมหยุดความอยากมันยังเิ่นอยู่ในใจถึงแต่ว่าเราใช้ศีลอยกัน้นมันไว้ไม่ให้ออกมาทางทางการกระทาําทางกายกับทางวาจาแต่ในใจมันก็ยังเครียดมันยังอยากอยู่มันยังทุกข์อยู่แต่ถ้าเราฝึกสตินั่งสมาธิได้เราทาใจให้นิ่งให้สงบได้ ความเครียดความอยากความเครียดที่เกิดจากความอยากต่างๆมันก็จะหายไปแล้วเราก็จะได้พบกับความสงบความสุขของของการหายไปของความอยากชั่วคราวถ้าเราได้ฝึกสติได้ฝึกสมาธิแล้วเราสามารถหยุดความอยากได้เป็นพักๆแล้วเราจะเห็นโทษของความอยากว่าเวลามีความอยากแต่ละครั้งนี่มันสร้างความทุกข์ทรมานให้กับใจเราแสนสาหัส พอเราสามารถหยุดความอยากได้ปั๊บนี่นิโรธก็ปรากฏขึ้นมาชั่วคราวความเครียดความทุกข์ที่เกิดจากความอยากมันจะหายไปมันจะทำให้ใจเราสงบจำใจให้เราเย็นทำใจให้เรามีความสุขอย่างยิ่งอันนี้ก็คือเครื่องมือชิ้นที่สองศีลก็คือระงับความอยากที่จยออกมาทางกายทางวาจา แล้วก็มาล้างความอยากที่ยังดิ้นอยู่ภายในใจด้วยการฝึกสตินั่งสมาธิพอเราฝึกสตินั่งสมาธิหยุดความคิดได้ใจนิ่งสงบได้ความอยากที่มันทําให้ใจเราด่นทําให้ใจเราเครียดมันก็จะหายไปแล้วใจเราก็จะสงบนิ่งเย็นสบายมีความสุขอันนี้เราฝึกเพื่อที่จะสร้างเครื่องมือสองสามชิ้นด้วยกันชิ้นแรกคือศีล สิมที่สองคือสมาธิทั้งสองอย่างนี้ยังไม่สามารถทําลายหรือกําจัดความอยากได้อย่างถาวรเพียงแต่กั้นมันไว้ศีนกั้นมันไว้เหมือนเหมือนค้อง ก, กันกันไม่ให้วัวควายที่เราเลี้ยงดูไม่ให้ออกไปเพ่นพ่านนอกค้องไปสร้างความเสียหายใจเราก็ต้องมีศีงไว้คอยกัน้นไม่ให้กิเลสตัณหาพาให้ใจเราออกไปทําในสิ่งที่เสียหายคับกับใจศีนก็เป็นเหมือนค้ อ, อกวัว แล้วสมาธิก็เป็นเหมือนกับการเอาเอ า, เอาวอัวที่เราต้องการที่จะให้มันอยู่เฉยๆนี่เอามาผูกเอามามัดไว้กับเสาพอผูกมัดไว้กับเสามันก็ดิ้นไม่ได้มันก็เคลื่อนไหวไม่ได้มันก็จะนอนอยู่เฉยๆแต่พอเวลาใดที่เราถอนออกมาจากสมาธิพอเราถอดเชือกออกจากตัววัวมันก็จะดิ้นต่อไปได้การถ้าเราอยากจะให้มันไม่ดิ้นหลังจากที่เราออกจากสมาธิแล้ว เ, เราก็ต้องมาสร้าง เครื่องมือชิ้นที่สามที่เรียกว่าปัญญาปัญญานี้คืออะไรก็คือให้เห็นว่าสิ่งที่ทําให้ใจเราทุกข์ก็คือความอยากนี่แล้วสิ่งที่เราอยากมันก็ไม่สามารถทําให้ใจเราหายทุกข์ได้อย่างถาวรมันให้ใจเราหายทุกข์แบบชั่วคราวเช่นเราอยากไปเที่ยวพอเราไปเที่ยวความทุกข์ที่เกิดจากการไม่ได้ไปเที่ยวมันก็หายไปชั่วคราวแต่พอกลับมาอยู่บ้านอีกเดี๋ยวมันก็เกิด ความทุกข์ขึ้นมาใหม่อยากจะออกไปเที่ยวอีกเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้ความอยากนี้หายไปอย่างถาวรเราต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่จะสามารถทําให้ความอยากของเรานี้หายไปได้อย่างถาวรไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่จะให้ความสุขกับใจได้อย่างถาวรถ้าเราไปทําตามความอยากเราจะได้ความสุขเดี๋ยวเดียวแล้วพอความสุขนั้นหายไปความทุกข์ก็จะกลับเข้ามาใหม่ ความอยากก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่แล้วก็ต้องก็ต้องกลับไปทำใหม่ทำไม่ทากิริยาก็ต้องก็ต้องทำอยู่เรื่อยๆเพราะมันไม่ใครมันไม่ให้ความอิ่มความพอกับเรามันมีแต่จะให้ความหิวความอยากเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วในวันหนึ่งพอร่างกายเราแก่เจ็บตายเราก็จะไม่สามารถทำอะไรได้เราก็จะทุกข์เราก็จะเครียดต่อไปงั้นวิธีดีที่สุดก็คืออย่าไปทำตามความอยาก โดยการเห็นว่าสิ่งที่ทำที่เราคิดว่าเป็นความสุขนี่ยมันไม่ได้เป็นความสุขมันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นความสุขชั่วคราวเช่นได้แฟนก็มีความสุขกับแฟนพอแฟนจากเราไปความสุขนั้นก็หายไปสิ่งที่เข้ามาแทนที่ก็คือความเศร้าความเหงาตามมาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็จะเป็นแบบนี้เป็นของชั่วคราวให้ความสุขกับเราแบบชั่วคราวแล้วจะจบลงไปได้ลงไปที่ความทุกข์ทุกครั้งไป ถ้าเราไม่อยากจะเจอกับความทุกข์แบบนี้เราก็อยากไปทำตามความอยากตานั้นเองพอเราเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขต่อไปเราก็จะไม่อยากได้อะไรพอเราไม่อยากได้อะไรเราก็ละละความอยากได้เราทำกิจในข้อที่สองได้คือสมุทัยต้องละก็คือตัญหาทั้งสามละตันหาทั้งสามได้พอละตัญหาทั้งสามได้ทุกที่เกิดจากข้อที่หนึ่งก็จะหายไป เป็นนิโรธขึ้นมาเป็นอริยสัจข้อที่สาการดับทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมาและ ก, การดับทุกข์นี้เกิดขึ้นมาด้วยอะไรก็ด้วยมรรคก็คือเครื่องมือที่เราสร้างกันอยู่เ ร, เราพยายามสร้างกันนี้คือศีลสมาธิปัญญาอันนี้เป็นเครื่องมือที่เราต้องมาสร้างกันกิจในข้อที่สี่จึงเป็นกิจที่สําคัญที่สุดก็คือเราต้องเจริญมรรคให้มากๆเจริญมรรคให้สมบูรณ์สร้างเครื่องมือสามชิ้นนี้ให้ ให้มีอยู่ในตัวเราตลอดเวลาเพื่อที่เราจะได้ใช้เครื่องมือสามชิ้นนี้คือศีลสมาธิปัญญานี้มาสู้กับความอยากมาหยุดกับา ม, มาหยุดความอยากได้พอเรามีศีลสมาธิที่มีกําลังมากกว่าความอยากความอยากที่เคยมีอยู่ในใจมันก็จะหายไปหมดพอความอยากหายไปหมดทุกที่มีที่เกิดจากความอยากก็จะหายไปหมดนิโรดก็แจ้งปรากฏขึ้นแจ้งอย่างเต็มร้อยขึ้นมา อริยสัจข้อที่สามคือนิโรธทําให้แจ้งก็จะปรากฏขึ้นมานี่แหละคือกิจในอริยสัจสี่ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบําเพ็ญได้ทรงปฏิบัติจึงทําให้พระพุทธเจ้านี้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นจากการที่จะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆเพราะเมื่อท่านตัดความอยากที่พาให้มาเกิดได้การเกิดก็จะไม่มีเมื่อไม่มีการเกิดก็จะไม่มีการแก่การเจ็บการตายไม่มีการพัดพาจากกาัน เมืม่อมีสิ่งเหล่านี้ทุกก็จะไม่มีอันนี้แหละคือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงตัดสัตวได้ทรงปฏิบัติและได้นํเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราทั้งหลายถ้าพวกเราอยากที่จะบรรลุทำเหมือนกับที่พระเจ้าได้ทรงบรรลุเราก็ต้องปฏิบัติกิจในอริยสัจสี่ทั้งสี่ข้อนี้ให้สมบูรณ์คือทุกข์ต้องกําหนดรู้ต้องรู้ว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรไม่เป็นทุกข์สอง สมุทยัยคือเหตุของความทุกข์ต้องละให้ได้คือตัณหาทั้งสาม 3. นิโรธต้องทำความทุกข์คําดับทุกข์ให้ปรากฏขึ้นมาในใจของเราทำให้ทุกข์หายไปจากใจของเราคือนิโรธและสคือต้องสร้างเครื่องมือเพื่อที่จะมาละตัณหาความอยากเครื่องมือที่จมาละความอยากนี้เราเรียกว่ามรต้องเจริญให้มาก มากคืออะไรก็คือศีลสมาธิปัญญานี่ที่พวกเรามาปฏิบัติกันอยู่นี่ฉั้นพยายามเจริญศีลให้เจริญศีลสมาธิปัญญาให้มากขึ้นไปเรื่อยๆตอนต้นอาจจะปฏิบัติวันพระหนึ่งวันแล้วต่อมาอาจจะเพิ่มเป็นสองวันสาวันเพิ่มไปเรื่อยๆรื่จนนะต่อไปเราจะปฏิบัติทุกวันเจริญศีลสมาธิปัญญาทุกวันถ้าเราเจริญศีลสมาธิปัญญาทุกวันกําลังของศีลสมาธิปัญญาก็จะมากกว่าความอยาก ัก็จะหยุดความอยากต่างๆได้หมดซึ่นไปจากใจพอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ความทุกข์ก็จะหายไปการเกิดก็จะไม่มีต่อไปนี่ก็คือเรื่องของอริยสัจสี่หรือกิจในอริยสัจสีที่เอามาฝากทัานในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยาถาวาเรวาหาปูราปริปุเรนติสาขลง เอวเมวะอิโตชินางเปตานางอุปกปติยติตังปัจจิตังสมหังคิพเมวะสมิชชะตุสัพเพโปรนตุสังกปาจันโทปนะลโสยะามณิโชติละโสยะาสัพพิติโยวิวัจฉันตุสัพพารโควินาศตุ มาเตภวัตวันตวายุสุขีทีขายุโกภวะอปิวาตนะสีลิสะนิจังวุธาปัจายโนจตารุธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถาน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 น้อมกราบนมัสการเจ้าคะ่ะผู้รับฟังวันนี้ทาง Facebook 400 YouTube พระอาจารย์สุชาติ294 YouTube ดกร53วิทยุออนไลน์11 c l u b h o u s e 7ผู้รับฟังหน้ากุติ162รวม927ท่านเจ้าคะ่ะคำถามจากทาง YouTube เจ้าคะ่ะเอากลงดักหนูดักหนูไว้แล้ว มีครั้งหนึ่งที่มัวแต่ยุ่งหลายๆคนเดินผ่านไปมาแต่ไม่ได้สังเกตว่ามีหนูติดอยู่พอมาเห็นหนูที่ติดอยู่ในกรงนั้นก็นอนตายซะแล้วแบบนี้โยมจะบาปไหมเจ้าคะเพราะไม่มีเจตนาแต่ไม่มีสติหลงลืมเจ้าคะ่ะไม่มีเจตนาก็ไม่บาปแต่ก็มีความเสียหายที่เราจะต้องชดใช้ก็ได้วันข้างหน้าเราอาจจะไปเป็นหนูแล้วถูกเขาจับขังแล้ว ลืมลืมมาปล่อยเราก็ได้กลาบนมัศการเรียนถามครับถ้าจิตเป็นวัวสติคือเชือกหลักที่ผูกเชือกคือปัญญาหรือว่าคืออารมณ์ที่ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจครับกรรมฐานคือหลักเช่นพุทโธนี่เป็นหลักอาณาปณะสตินิโรมหายใจนี่เป็นหลักเชือกก็คือสติจิตก็ คือความคิดปุงแต่งต้องวัวเราก็ต้องผูกจิตให้อยู่กับเชื่อให้อยู่กับกรรมฐานให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆการที่เราพิจารณาเห็นร่างกายของตัวเองหรือของผู้อื่นแล้วมีความรู้สึกว่าร่างกายนั้นเป็นของสกปรกไม่สวยงามไม่น่าดูถือว่าเป็นการพิจารณาอสุภะได้หรือไม่เจ้าคะ ก็ดูว่าเวลาเกิดการอารมณ์แล้วเราดับมันได้หรือเปล่าแล้วเราเกิดเห็นไข่แล้วน่ารักหน้าหน้าเอ็นดูแล้วเราไปหลงลักเขานี้เราจะใช้การพิจารณานี้มาเพื่อดับความหลงลักเราได้หรือเปล่าลถ้าหยุดได้ก็ถือว่าเป็นอัศภะเป็นปัญญาถ้าดูแล้วก็ยังหลงลักเขาอยู่ก็สแสดงว่ายังไม่เป็ น, น การพิจารณาสุภาพการพิจารณาความไม่สวยงามของร่างกายเพื่อละความยึดความอยากที่จะให้ได้เขามาเป็นแฟนอยากจะอยู่กับเขาอยากจะหาความสุขกับจากเขาแต่ถ้าเห็นเข า, าเป็นเหมือนกองขยะเป็นของปฏิกูลมีแต่ของที่น่าขยะขยงซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนังของเข า, าถ้าเราลองลองผ่าร่างกายเราออกมาดูเลย ตอนนี้ร่างกายเราดูพอดูได้พอเราเข่าออมาดูภายใต้ใต้ผิวหนังเราจะเห็นโครงกระดูกเราจะเห็นตับไตลาไส้เห็นปอดเห็นหัวใจใต่างๆถ้าเห็นอย่างนี้เรายัางไปลักเขานี่ก็สแสดงว่าสแสดงว่าเรามืดบอดหรือเป็นพวกซาดิสพวกซีอุยชอบกินชอบกินเครื่องในคน <c oughs> แต่ถ้าคนธรรมดาแล้วถ้าเห็นนั่นมันจะต้องเกิดความขยะแขยงขึ้นมาคำถามฝากถามจากผู้รับฟังหน้ากุดเจ้าค่ะเวลานั่งสมาธินั่งแล้วรู้สึกปวดหลังเปลี่ยนเป็นนอนภาวนาได้ไหมครับเพราะเป็นโรค ก, กระดูกพุนได้แต่มันจะหลับมันจะไม่ได้สมาธิเพราะถ้าอยู่ในท่าสบายมันสติมันจะอ่อนแล้วก็จะหลับ ถ้าอยากจะได้สมาธิก็ต้องก็ต้องทนก็ต้องนั่งอยู่ในท่านั่งถ้านั่งไม่ได้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นเวนกรรมของเราที่มีร่างกายแล้วแต่ไม่สมประกอบพอที่จะมาสนับสนุนในการปฏิบัติสมาธิของเราได้ <c oughs> ก็ต้องพยายามหาวิธีรักษาร่างกายให้มันดีขึ้นก่อนถ้าไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันไปก็ต้องนอนก็ต้องภาวนาในท่านอนไป ถาอยากจะนอนแล้วไม่หลับก็ไปนอนอยู่ในป่าชาจะไม่หลับนอนภาวนาได้เป็นนอนแล้วคิดถึงผีขึ้นมาก็นอนไม่หลับนะอ่ะแล้วเราก็นนต้องหาอุบายวิธีแก้แก้อุปสรรคต่างๆที่มันขัดขวางเรานั่งนั่งง่วงนอนก็แสดงว่ากินมากเกินไปก็ลดอาหารลงถือสินแปดอย่า ก, กินอาหารร้อนเย็น ถ้าไม่กินอาหารเย็นเวลาตอนค่ำนั่งสมาธิมันก็จะไม่ง่วงแต่ถ้ากินอาหารเย็นเสร็จแล้วไปนั่งสมาธิมันก็จะสับประโคมันก็จะหลับได้คำถามจากทางเฟซบุ o กเจ้าค่ะ ลูกฝึกหัดปฏิบัติมีสติในชีวิตประจำวันแล้วลูกเกิดประสบเหตุเศร้าหมองทำให้จิตวนไปติดในความเศร้าหมองนั้นลูกจะดำเนินการปฏิบัติอย่างไรดีเจ้าคะเอาจิตไว้ตรงไหนดีเจ้าคะก็กลับมาที่สติสติเผลอพอไม่มีสติจิตมันก็เศร้าหมองได้พอรู้ว่าเศร้าหมองล้วก็ต้องรีบดึง สติกลับมาด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปก่อนวิธีง่ายที่สุดที่จะฟืน้นฟูสติก็คือพุทโธเนี่ยพอรู้ว่าจิตเราไม่ดีแล้วจิตเราเศร้าจิตเราเครียดจิตเราฟุง้งเราต้องรีบบริกรรมพุทโธพุทโธไปเหมือนพอเรารู้ว่าเราปวดศีรษะเราก็ต้องรีบหายาแก้ปวดมากิน ท, ทันทีงพุทโธนี่เป็นญาที่เป็นตัวที่จะดึงสติของเราให้กลับมาที่จะทําให้จิตของเรากลับมาเป็นปกติ ถ้าถ้าไม่มีสติมันก็จะปล่อยให้เศร้าไปเรื่อยๆแล้วาจจะเศร้ามากขึ้นไปเรื่อยๆด้วยเพราะยิ่งคิดก็ยิ่งเศร้าให่แต่ถ้าเราใช้พุโทโธหยุดความคิดได้ความเศร้าที่เกิดจากความคิดมันก็จะค่อยๆจางหายไปยงั้นอยากขี้เกียจพุโทโธพยายามฝึกท่องพุโทโธไปเรื่อยๆทั้งในขณะที่เรายังไม่มีปัญหาใจเรายังไม่เศร้ายังไม่เครียดก็หัดท่องพุโทโธไว้ เวลาเศร้าเวลาเครียดมันจะได้นึกถึงพุทโธได้เร็วขึ้นคูณมีอะไรจะถามไหมป่าวฟังถามเด็กถามเด็กคิดไม่ออกอแกมีใครอยากจะถามอะไรไหมถามได้นะ บางอะไรไม่เข้าใจอย่างจะถามไม่ได้เป็นการไม่ได้เป็นความโง่หรอกเป็นความที่เรายังมีความรู้น้อยเมื่อมีความรู้น้อยก็ต้องพยายามฝนขวายหาความรู้เพิ่มเติมเพราะการปฏิบัตินี้สําคัญที่ความรู้ถ้ามีความรู้เราก็จะปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อปฏิบัติได้ถูกต้องเราก็จะได้ผลที่เราต้องการ แต่ถ้าเราปฏิบัติไม่ถูกต้องเพราะเราไม่รู้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องว่าเป็นอย่างไรเราก็ควรที่จะสารการการปฏิบัติธรรมนี้จําเป็นจะต้องมีครูมีอาจารย์มีคนคอยสอนคอยบอกคอยแก้ปัญหาให้กับเราถ้าเราปฏิบัติตอตามลาพังนี้โอกาสที่จะผิดพลาดโอกาสที่จะหลงทางนี้มันมีมากเพราะเราไม่มีประสบะการณ์เหมือนกับครูบาอาจารย์ ครูบาจารย์ต่างๆนี้ท่านเคยหลงมาแล้วแล้วท่านค้นแล้วท่านก็ได้พบกับทางที่ไม่หลงแล้วพอใครไปแต่ทางที่หลงท่านก็จะรู้ทันทีท่านก็จะบอกว่าอย่าไปทางนี้ไปทางนี้แล้วก็จะไปไม่ถึงไหนให้ย้อนกลับมาตรงนี้ให้กลับมาที่สติกลับมาที่ลการรักษาศีลกลับกลับมาจากที่การกลับมาที่ทาบุญทาทานกลับมาที่การภาวนา ต้องต้องมีครูบาอาจารย์แต่ไม่ได้หมาครามว่าจะต้องมีครูบาอาจารย์มานั่งสมาธิคู่กับเราอันนี้ไม่จำเป็นเวลานั่งสมาธิเราควรจะนั่งคนเดียวได้จะดีที่สุดเพราะจะได้ไม่มีอะไรมาบรบกวนใจเรามาให้เราต้องกังวลเวลาปฏิบัตินี้ปฏิบัติคนเดียวแต่เวลาไม่ถ้าเวลาไม่เข้าใจอะไรหรือไม่รู้อะไรก็ต้องมีครูอาจารย์คอยสอนคอยบอกคอยเล่าให้ฟัง มีครูบาอาจารย์นี้ท่านจะคอยสอนอยู่เรื่อยเพราะใจเรามันชอบที่ไปในทางหลวงกางนที่จะคิดว่าเกิดแล้วเป็นทุกข์ตายจะไปคิดว่าเกิดแล้วเป็นสุขเกิดแล้วจะได้ร่ํำได้รวยจะได้เป็นใหญ่เป็นโตก็จะทําให้อยากเกิดไปเรื่อยๆแต่ไม่เห็นว่าเกิดแล้วเหลือก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายสุขที่ได้ก็จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปแต่นั้นมีครูอาจารย์นี้ท่านจะคอยเตือนคอยสอนอยู่เรื่อยๆ อย่าประมาท<ม>อย่าลืมความตายอย่าลืมความแก่อย่าลืมความเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้ร่างกายเรายังแข็งแรงอยู่แต่ไม่ได้มาคาว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดมันดีเกินดีมันก็จะเป็นอะไรขึ้นมาก็ได้จน<ม>ตอนนี้มันยังไม่เป็นให้เรารีบขนขวาปฏิบัติทำความดีให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ผมทำงานทั้งโลก แต่ก็ยังอยากมีเงินมีรายได้แบบนี้จะทําอย่างไรกับความอยากดีครับก็ต้องเห็นว่ามันเป็นยาพิษเงี้ยของพวกนี้เหมือนยาเสพติดถ้าเราไปติดนะแล้วเวลามันหมดแมันมันจะทําให้เราทุกเวลามีเงินก็สุขสามารถใช้เงินซื้อความสุขต่างๆได้พองเงินหมดแล้วจะเอาอะไรไปซื้อความสุขมาถ้าไม่มีความสุขมันก็จะมีแต่ความเศร้าฉันซื้อมาหามาหาความสุขโดยวิธีไม่ต้องใช้เงินดีกว่า ไปถือศีลแตะไปอยู่วัดไปฝึกสมาธิกันดีกว่าทําใจให้สงบใจสงบ จ, จากสมาธิแล้วใจจะมีความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้เงินทองซื้อความสุขแบบนี้ความสุขแบบนี้ต้องมีเวลาว่างมีสถานที่สงบมีสติคอควบคุมใจเท่านั้นเองถ้าเราสามารถหาสิ่งเหล่า น, นี้ได้หาเวลาให้กับการนั่งสมาธิได้หาสถานที่ที่สงบได้ แล้วก็หาสติที่จะมาคอยยับยั้งความคิดต่างๆได้ถ้าเรามีสามอย่างนี้เราก็จะสามารถสร้างความสุขที่เกิดจากสมาธิได้โดยที่ไม่ต้องไปทำงานหาเงินหาทองหาเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้ได้มาปั๊บเงินเดือนออกสิ้นเดือนยังไปออกมาได้แค่วันสองวันก็หมดนะแล้วก็นั่งนั้นคอแห้งไปอีกสามสิบวันอีกเดือนหนึ่งกว่าจะเงินเดือนออกทั้ง แล้วก็ต้องมาทุกเวลาที่เงินทองไม่พอใช้ซื้อมาหาความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้เงินทองดีกว่าโอเควันนี้ถ้าไม่มีคําถามอะไรก็เอาท่านนี้ก่อนขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้านในทางยิ่งขึ้นไปเถิด